เราได้วสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แ น, น่วแน่วมุ่งตรงถหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาดยวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้เนื้อชี้ข้มือข้างขวาจรอดเนื้หัวไม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบยหลับตาของเราเบาๆคลอนลูกพอสบายบาย คล้ายกัตอนที่เราใกล้จะรับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้วังว่าแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามตาตหัวใจเป็นต้น สมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นพระงเป็นที่ลงโ ล, งงล่งว่างกลวงภายในใคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใส สมุดให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่ลงโลง่วงวง่างกลวงภายในคล้ายท่ยอแก้วท่อเพชรใสใส คราวนี้เราก็มา น, นึกทบทวนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าชีวิตน่ะเป็นของน้อย หมายถึงว่ามีเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนีนะ้ด้วยกายมนุษย์อย่างพวกเรนี้นะ่มันสั้นมันจำกัดมันไม่มากเลยโดยเฉพาะในยุคนีนะ้เป็นยุคที่อายุมนุษย์ไขลง เราอยู่ในช่วงชีวิตที่อายุเฉลี่ยมนุษย์ได้7จสิบห้าปีจะเกินกว่าก็มีไม่กี่ท่านที่จะมีอายุยืนยาวไปถึงแปดสิบเก้าสิบก็ทั้งร้อยปีหรือร้อยกว่าปีมีจำนวนไม่มากแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็7จสิบห้าปี และยิ่งมีโรคภัยไข้เจ็บมีมลภาวะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากคนเสื่อมจากศิลธรรมหรือความเจริญของเทคโนโลยีทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษชีวิตมนุษย์ก็ยิ่งซ่านลง บางท่านอยู่ไม่ถึงเจ็ดสิบห้าปีที่ซ้ำไปถ้าสมมติไปเจ็ดสิบห้าปีมาเทียบกับที่เรามีชีวิตอยู่เดียวนี้เนี่ย mm. ก็เหลือเพียงอีกไม่นานเท่าไหร่ถ้าเราอยู่ไปถึงเจ็ดิบห้าปีบางคนก็เหลือแค่ปีนึงบางคนก็หลายปี บางคนเป็นสิบ ป, ปีบางคนยี่สิบ ป, ปีหรือกว่านั้นนี่หมายถึงว่าเป็นเหตุการณ์ปกติที่ไม่มีอุบัติเหตุหรือโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนสรุปง่ายๆว่าชีวิตน่ะเป็นของน้อยเราจะอยู่ถึงอายุขยเฉลีย่ยกของมนุษย์หรือเปล่า ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทในการดำรงชีวิตเราก็จะต้องมาเดินว่าเป้าหมายชีวิตที่เกิดมานั้นเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจง้งเมื่อทำพระนิพพานแจ้งแล้วก็จะได้พ้นทุกข์เาะพื้นฐานชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็คือความทุกข์ทั้งทุกประจํา และกระทุกจอดความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ทุกจากการพัดพราดจากสิ่งที่เป็นที่รักประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาอะไรก็ไม่ได้สิ่งนั้นมีความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลําพิไหลําพันธ์ทศสมัยใหม่ก็เส้นเครียดเบื่อกลุ้มเป็นต้น มีอย่างนี้นะทุกทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีชนชั้นกลางหรือชั้นล่างล้วนแต่มีทุกประจําแล้วก็ทุกจอดทั้งสิ้นเศรษฐีแม้มีทรัพย์มากมีพวกพ้องบริวารมากม า, ก ม, ากมีลาภยศสรรเสริญมากมากก็ตามเถอะ ก็ยังมีทุกประจาสังหารอยู่คือความแก่ความชราความเจ็บไข้ใดป่วยแม้กระทั่งความตายและความพัดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รักจะเป็นคนรักหรือของรักหรืออารมณ์ที่เป็นที่รักก็ตามก็ต้องเจอต้องพัดพลากหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น มีทรัพย์มากอยากจะให้ลูกมารับสมบัติแตล่ลูกมันน่ะไม่รักดีมันไปเกะ ก, ะเกะเกเลยอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกเพราะฉะนั้นทุกชีวิตมันมีทุกข์ทั้งนั้นตั้งแต่เศรษฐีถึงยาจกบณิพกถึงพระราชาโดยเฉพาะตัวของเรานี่แหละจะเห็นได้ชัดเจนดังนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยจึงเกิดมาเพื่อทําพระนิพพานในแจ้ง เมื่อทำพรานิพานให้แจ้งแล้วเนีทุกมันก็ดับไปคือทุกดับไปหมดเมื่อกิเลสมันสิ้นพอกิเลสมันดับไปสิ้นไปความเดือดเนื้อร้อนใจหมดไปนิพานก็แจ้งมันแจ้งก็มันดับทุกดับกิเลสหมดแล้วนั่นแหละนี่คือเป้าหมายของชีวิตทุกทุๆชีวิต เรานะเป็นผู้มีบุญโชคดีที่เกิดมาในลมเงาของพระพุทธศาสนาที่อดมไปด้วยความรู้อันบริสุทธิ์ที่แท้จริงที่ผู้ที่เป็นพระบรมศาสดาของเราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเป็นมนุษย์ก็จะเข้าใจชีวิตของมนุษย์ได้ดีดีกว่าคนอื่นที่ไม่ได้เป็นมนุษย์ แล้วก็สรุปผลเป้าหมายของชีวิตมาเกิดมาเนี่ยมาทำพรานนิพพานให้แจ้งวิธีการทำท่านก็บอกหมดแล้วจะไปนิพพานได้ไปยังไงเนี่ยท่านก็บอกเอาไว้ตั้งหลายหลายในยะในอริยสัจสีก็มีชีวิตเป็นทุกข์เหตุเพราะความอยากพยานอยากอยากที่ เจอไปด้วยความเพลินคือเจอไปด้วยความไม่รู้นั่นแหละมันเพลิดเพลเป็นเพลินไปอยากได้อยากมีอยากเป็นความรู้มันยังไม่สมบูรณ์มันก็เป็นเพลิ น, พลนกันไปนะเพราะฉะนั้นต้องหยุดความอยากสิเหลยกว่านี้โลดนิโรธะคือหยุดความอยากความอยากมันเกิดขึ้นที่ใจก็หยุดที่ใจนะ่ะ จุดอยากและเดี๋ยวจะเข้าถึมกมรรคจะเห็นมรรคจะเห็นหนทางที่จะไปสู่อายะตนานิพพานหรือทำพระนิพพานให้แจ้งจะเห็นมรรคจะเห็นห น, านทางนะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนแก้วขยัสิทธ์เหมือนดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อย่างนั้นแหละเรียกว่าอริยมรรค เป็นดวงใสๆเห็นทางแล้วแล้วก็หยุดไปเรื่อยๆในมรคนั้นมองไปในทางนั้น่ะเดี๋ยวก็จะพบกายในกายแล้วก็จะเข้าถึงพระรธมรกายถึงพรรัตนตรายในตัวพระรัตนตะยนะจะขจัดกิเลสอสวะให้หมดสิ้นไปพาเราไปสู่ฝั่งของ อมตะนิพานนี่เห็นไหมจ๊ะทุกสมุทยมัยนิโรธมรรคตังกัสอนหรือจะมาดูอีกนัยยะหนึ่งนิพิทาวีราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพานนิพิทาแปลว่าต้องเบื่อหน่ายคือเห็นทุกข์เห็นโทษของชีวิตที่อยู่ในวัฏฏะสงสารไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ มันไม่เข้าท่าทังนั้นนหะเพราะมันเปลี่ยนแปลงหนึ่งจากยังอยู่ในกฎเกณฑ์ของไตรลักษณ์มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมีลาบเสื่อมลาบมียศเสริ ม, มยศ ม, มีคนสรรเสริญเดี๋ยวกับมีคนดินทามีสุขมีทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นทั้งประจําสังขารแล้วก็ทุกจรมาอีกของประจําก็แย่อยู่แล้วเอามีของจรมาเจอกันอีกยุ่งกันใหญ่ ท่านมองให้เห็นและให้เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายชีวิตที่มันเป็นทุกข์แต่ไม่ได้ให้คิดแบบโงๆ่ๆโดยการฆ่าตัวตายแต่ให้หาทางออกโดยสติโดยปัญญาให้หาทางออกโดยสติโดยปัญญาโดยกำลังใจอันสูงส่งคือต้องให้มันเบื่อหน่ายซะก่อน ถ้ายังไม่เบื่อแล้วก็อยากที่จะไปนิพพานได้ตั้งเกิดความเบื่ออย่างแรงกล้ามองไปดู้วถ้าเกิดความเบื่อของชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันไม่ได้สมหวังนังใจอะไรสักอย่างสมมุติว่าเป็นจากปลมงไปทอดปลาอยากได้ปลาดันไปเจองโง่บางก้อนอิดบางก้อนหินมันติดล่างแหนมา อยากเจออย่างแต่ได้อีกอย่างยังอย่างนี้อยากเจอคู่ในอดมกติก็เจอคี่เมาส์มาอยู่ข้างๆมัางหรือพ่อบามันคนดีดันเจอผีกามั น, นันสิงอยู่ข้างๆตัวมันเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นดูแลวชีวิตนี้น่าเบือ่อพอเบื่อมันก็คลายเราเบื่ออะไรเนี่ยเราก็จะคลาย คลายความรักคลายความยึดมั่นถึงมั่นในสิ่งนั้นพอคลายมันก็หลุดมันต้องเบื่อก่อนเบื่อแล้วก็คลายพอคลายมันก็ปล่อยก็เรียกวิมุติเอาวิสุธทธิพอปล่อยได้จิตมันก็บรรลุสุดในระดับหนึ่งวิสุทธิในระดับหนึ่งคือมันนิ่งนิ่งเฉยเฉยวิสุธทธิสันติหยุดสนิทเลย พอหยุดด่สนิทเดี๋ยวเห็นมากเกิดขึ้นเห็นมาผจญหยุดหนึ่งเห็นมากเกิดสันติก็ไปเรื่อยๆหยุดในหยุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็นิพพานดับทุกร้อนได้นิพพานแปลว่าดับทุกนะจ๊ะดับกิเลส ด, ดับความร้อนไม่ใช่ดับไปหมดทุกอย่างเลยดับกิเลสสิ่งไม่ดีนะ เหลือแต่สิ่งดีๆเหมือนทองคาถ้ามันมีแร่ธาตุอื่นเจือปนเขาก็แยกเอาแร่อื่นออกทำรีไฟล์ให้เหลือแต่ทองคาที่บริสุทธิ์ล้วนๆจะเอามาใช้ทำอะไรมันก็ได้มันเกิดประโยชน์มีคุณค่าหรือพลังงานปรโมาณูที่เขาใช้แร่โยเลยเนี่มอะไรแต่เดิมมันก็เป็นธาตุที่ผสม ไม่บริสุทธิ์ก็แยกกันไปเหลือแต่ธาตุบริสุทธิ์ล้วนๆก็เอาไปทำให้มันเกิดพลังงานได้ใจของเราเหมือนกันมันมีธาตุที่เจือปนผปสมกันอยู่โลภะโทสะโมหะกิเลสอาสวะพอเราแยกออกไปด้วยหยุดกันนิ่งเนี่ยมันก็จะเหลือแต่วิลากธาตุเวลากรรม คือธาตุธรรมทิศสะอาตดบริสุทธิ์เป็นฝ่ายบุญล้วนลวนบริสุทธิ์ล้วนลวนสว่างสวัยพอบริสุทธิ์ล้วนลวนสะอาดล้วนลวนสว่างสวยก็มีพลังงานเต็มที่ที่จะขยายความสุขมาสู่จิตใจเราระบบประสาทกละลำเนื้อสิ่งแวดล้อมได้ให้ทั้งความสุข ให้ทั้งความรอบรู้ให้ทั้งความหลุดพ้นเป็นอิสระเป็นอิสระที่เป็นนิลันดรนที่เดียวและนี่มันเป็นอย่างดีนะลูกนะเพราะฉะนั้นเดีย่ยชีวิตที่มีน้อยนี่เขามีเอาไว้ให้สแสวงหาหนทางพระนิพพานบางคนไปลังเกียดนิพพานมาปลาแล้วน่มันไม่สนุกนั่นเพราะเขายังไม่เห็นทุกข์โทษของชีวิต อย่างแท้จริงเพราะว่าไม่ได้มาพิจารณาอยู่กับทุกจนชาชินแลว้วเหมือนคนที่จมอยู่ในโคลนในตมมนาดมันชินมันชาแต่ผู้มีปัญญาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าต้องปล่อยต้องหลุดต้องพ้นต้องสแสวงหาทางหลุดทางพ้นให้ได้มันมีอีกวิธีหนึ่งที่เห็นล้นทางปานิพานแล้ว แต่ยังยินดีในวัตตะมันก็มีอยู่คือเราเข้าถึงธรรมกายได้เข้าถึงระรัตนตรัยในตัวแล้วก็ศึกษาวิชาธรรมกายไปสิเรามุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละได้ถึงพระธรรมกายถึงระรัตนตรัยในตัวแล้วไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้ แล้วเราก็มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมค้นต่อไปอีกศึกษาต่อไปอีกว่าอะไรเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอะไรปกรครองอากาศสโลกันนโลกสตุปโลกอย่างนี้แม้ถึงนิพพานแต่ก็ยังอยู่ในวัตตะได้เพื่อสแสวงไปหาที่สุดแห่งธรรม ไปถึงที่สุดถึงธรรมแล้วก็ลื้วัฏตะกันไปเลยนี่สำหรับองค์กรที่ยังไม่มีใจยินดีจะไปนิพพานมันก็มีทางออกโน่นตรงไปที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตเป็นของน้อยอย่างนี้เราจึงควรใช้ชีวิตให้มีคุณค่าและประสิทธิภาพที่สุดนอกเหนือจากการทำมาหากินแล้ว การเพลิดเพลินสนุกสนานเพื่อผ่อนคลายความทุกข์ไม่ใช่ความสุขลงนะเพื่อผ่อนคลายเพื่อพักผ่อนใจที่ตึงตึงเหมือนคนชักขยเยอกันมันจะได้หย่อนพักผ่อนแล้วก็ย่อนใจใจมันก็คลายจากความตึงเครียดพักผ่อนย่อนใจอย่างนั้นอาจารย์นอกเหนือจากธรรมะกินและพักผ่อนหย่อนใจด้วยความเลิดเพลิน แล้วก็ควรจะมาแสวงหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตนั่นก็คือการทําใจยุดใจนิ่งๆไม่คิดไม่พูดไม่ทําเพราะคิดพูดทํามาทั้งวันแล้วมาตั้งหลายวันหลายอาทิตย์หลายเดือนหลายปีตลอดชีวิตที่ผ่านมานั่นเราคิดเราพูดเราทํามาตั้งเยอะแยะ มาลองไม่คิดไม่พูดไม่ทำทำหยุดทำนิ่งดูแต่เราก็จะพบอารมณ์อันประณีชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งซึ่งแตกต่างจากที่เราเคยเจอเมื่อเราอยู่ในจุดที่ปลอดความคิดคำพูดและการกระทาใจมันจะหยุดมันจะนิ่งมันจะขยายไม่คับแคบจะเบ่งบาน บบ้านจะมีความสุขที่กายเบาใจเบาเป็นอิสระไม่ติดยึดอะไรเลยแล้วก็มีความสว่างเกิดขึ้นในกลางความสว่างเราจะได้เห็นสิ่งที่เป็นไปตามความจริงซึ่งมีอยู่ดั้งเดิมแต่เราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งๆ ท, ที่มีอยู่ จะได้เห็นสิ่งที่มีอยู่นั้นเมื่อแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์ของจิตที่เกิดจากการไม่คิดไม่พูดไม่ทำคือหยุดการนิ่งนั่นแหละจะเห็นดวงใสจะเห็นกายใสใสเห็นกายในกายเห็นชีวิตที่มีหลายหลายระดับที่ปราณีขึ้นไปเรื่อยๆจะกระทันห่าวถึงพระธรรมกาย ถึงพุทธรัตนะถึงธรรมลัตนะถึงสังฆลัตตนะจะมีความสุขสดชื่นกว้างขวางไม่มีขอบเขตทีเดียวคือตัดวงกลมของความสุขตัดเส้นเหล่างนั้นออกไปสู่ทะเลแห่งความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีขอบเขตและทะเลแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ที่ไม่มีขอบเขต รู้เห็นไปตามความเป็นจริงซึ่งเป็นความจริงของชีวิตของเราของสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะเข้าไปถึงความรู้ชนิดนี้ถ้ากระทึงความรู้อย่างนี้ได้เกิดมาฉากนี้สมหวังนี้ชีวิตเพียงน้อยด้วยกายมนุษย์นี้ก็สมหวังดังใจ แต่เรียนรู้ได้ศึกษาความรู้ภายในที่ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรมาเสมอเหมือนทั้งความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุปมาให้ภิกษุทั้งหลายได้แต่ฟังโดยจิบใบไม้ในป่าประดูรลายมาไว้ในกำมือและทั้งกับเปรียบเทียบให้ดูโดยตั้งคำถาม ถามบิกษุว่าใบไม้ในกำมือกับใบไม้ในป่าประดูรายที่ตรงไหนมีมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าใบไม้ในป่านั้นนมีเยอะกว่าพระเจ้าค่ะพระพูทมเภาคจาก็ตรัสว่าสิ่งที่เราได้นํามาสอนนั้นนะ่ะแค่ใบไม้ในกามือเท่านั้นแหละใบไม้ในป่าอีกเยอะแยะ โดยสรรพยุตยานของเราที่ไม่มีขอบเขตนี้เนะ่เราได้ไปศึกษาไปเรียนรู้แต่เราเอามาสอนเธอแค่นี้แหละแค่กรรมือสอนแค่ว่าให้เธอหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะท่านั้นนี่เอไหมจ๊ะเมื่อใจเราหยุดสนิทเข้าถึงธรรมกายแล้วถึงพระรัตนาตรัยในตัวแล้วเราจะมีโอกาส ได้ศึกษาความรู้ที่ปะส ม, มาสมุจจาวทันอุปมาเอาไว้ทั้งในกามือและในป่าใหญ่เรียนรู้ความรู้อันยิ่งใหญ่ยิ่งรู้ก็ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งรู้ก็ยิ่งมีความสุขยิ่งรู้จิตใจยิ่งขยายยิ่งกว้างขวางไม่ขับแคบใจไม่ขับแคบไม่เห็นแก่ตัว จะจะรักตัวเองยิ่งขึ้นและรักเพื่อนมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายยิ่งขึ้นนี่เป็นอย่างนี้ความแตกแยกและความแตกต่างจะไม่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นเลยในจิตในใจของผู้ที่เขาถึงเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดีวันหนึง่งที่ได้เรามาประชุมพร้พรอมๆกัน เพื่อจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งเพื่อแสวงหาความรู้ภายในและความสุขติดแท้จริงต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกๆคนเอาใจนับไว้หยุดนิ่งๆจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ใจนะ่ะหยุดนิ่งน่งอย่างสบายสบายด้วยความเบิกบานด้วยความเชี่อมชื่อจะนิ่งเฉยเฉยก็ได้จะนึกเป็นดวงใสใสด้วยก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นองค์พระใสใสก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราชอบที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่เรามีความพึงพอใจ ให้ทำสิ่งนั้นนะลูกนะใจหยดหนึ่งใจ้ใช้ก็ได้จะตรึกนึกถึงดวงใสใสก็ได้จะจะเป็นองค์พระแก้วหรือเป็นเพชรใสใสก็ได้ดีทั้งนั้นได้ทั้งนั้นแล้วก็จะประคองใจด้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สมาหังปลักครองใจไปพร้อมกับหยุดใจนิ่งๆหรือนึกเป็นดวงใสๆองค์พระใสๆด้วยก็ได้นะจ๊ะให้ภาวนาไปจนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาเมื่อใจไม่อยากภาวนาต่อไปเราก็ไม่ต้องภาวนาเราก็หยุดนิ่งใช้ๆทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละ รับลอยให้มันนิ่งให้มันหยุดให้มันใสให้มันสบายให้เบิกบานอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เพราะหยุดเป็นตัวสาเร็จตั้งแต่เบื้องตน้นจนกระทั่งเป็นพระอระหรันตั้งแต่เบื้องตน้นจนกระทั่งเป็นพระอระหรันต์ เพราะฉะนั้นอย่าไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะลูกนะส่วนใครที่เข้าถึงดวงธรรมเห็นดวงธรรมชัดใสแจมกระจ่างสว่างที่กลางกายหรือเห็นองค์พระชัดใสแจมกระจ่างสว่างที่กลางกายก็ยุดใจต่อไปในกลางดวงหรือกลางองค์พระ หยุดกันนิ่งใจชัยเดี๋ยวดวงก็ขยายเดี๋ยวองค์พระท่านก็จะขยายแล้วก็มองเรื่อยไปตามเห็นเรื่อยไปเลยมีอะไรให้เห็นอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปก็เรื่อยเรื่อยอย่างสบายสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่คิดไม่พูดไม่ทำอะไร นิ่งใช้ดูใช้ใช้ดูการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในศูนย์กลางกายอย่างสบายสบายสบายสบายเบยิบกบานต้องอย่างนี้นะลุงนะง่ายหยุดนิ่งเห็นแสงสว่างาแค่วบเดียวไม่กี่วินาทีเร็วเธอก็งูแหลบลิ้นพลับ เหลือฟ้าแลบแลฤช้างพับไปหูผุดเพิบเดียวเท่านั้นโอ้ได้บุญได้กุศลอย่งใหญ่ไปสารทีเดียวยิ่งกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารสารกา ร, รเรลี่ยนซะอีกยิ่งกว่าสร้างท้า ว, วลอปัตถุเพราะว่าความสว่างนัน้นะเป็นต้นทางต้นทางของมรรคผลนิพพานพอสว่างแล้วแจ้งแล้ว เดี๋ยวก็จะเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นองค์พระธรรมกายคือพระรัตนตรยัยแล้วก็ตามเห็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งบัลลุมักผลนิพพานนี่เป็นอันนิสงใหญ่นะลูกนะเป็นบุญที่ไม่ต้องเสียงเงินเสียทองอะไรเลยแค่หยุดกันนิ่งเฉยๆอย่างเดียวสบายๆ เดี๋ก็เข้าถึงแล้วล่ะเพราะฉะนั้นอย่ากเกียจคร้านนะลูกนะในการทําความเพียรเวลากลับไปบ้านก็ต้องทําความเพียรใสมมนส ม, ม่ำเสมอใช้ชีวิตให้มันมีคุณค่าให้มันเป็นประโยชน์เดี๋ยวกายมนุษย์มันก็แตกดับแล้วมันเสื่อมกําไปทุกวันแต่เป็นความเสื่อมที่เราสังเกตไม่ออก เพราะมันเสื่อมไปทีละนิดอย่างต่อเนื่องเผลอไปเดียวเดียวอันนาเหี่ยวแล้วฟันหลุดแล้วตาฟางแล้วหูตึงแล้วผมหงอผมร่วงการลุกเดินเหิรนไม่กับปรีก็เป่าไม่กระจับก็บเชิง น, นอนนานกับเมือ่อยยืนนานกับเมือ่อยนั่งนานกับเมือ่อยเดินนานกับเมือ่อยมันเสื่อมลงไปทุกวันนะจ๊ะ แต่อย่าให้มันเสื่อมเสียให้มันเสื่อมแล้วได้กายเสื่อมไปแต่ใ จ, จเจริญใ จ, จเจริญขึ้นไปเรื่อยๆืสว่างไปเรื่อยๆรืใสไปเรื่อยๆรืยบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยเรืดีไหมจ๊ะอย่างนี้นะจ๊ะทำเป็นอย่างนี้นะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรยัย ในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ